ใจของพวกเรานี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากเป็นเหมือนเพชรเพียงแต่ว่ายังเป็นเพชรที่ยังไม่ได้รับการเจริญในเป็นเพชรที่ขุดออกมาจากดินยังมีคราบสกปกต่างๆหุ้มหอ่อเพชรอันล้ำค่านี้อยู่ จำเป็นจะต้องนำไปชำระไปกำจัดคราบสกรปรกต่างๆซักฟอกแล้วก็เจรไนพอทำเสร็จแล้วก็จะเป็นเหมือนเพชรที่เราเห็นตามร้านที่ที่สวยงามมีราคาแพงๆเห็นแล้วก็อยากได้ เพชรทีได้รับเกณฑ์เจรณาเจรณาในแล้วนี้ก็เป็นเหมือนใจของพระอริยบุคคลใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันต์ใจของพอระ อ, า อ, อานาคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันมีความสวยงามล้ำค่าต่างกันไปเพราะ การเจรไน ย, ยังไม่สมบูรณ์เต็มที่จึงมีคุณค่าราคาไม่เท่ากันถ้าเจรไนได้สมบูรณ์เต็มที่ก็จะเป็นพระอาหารหันต์เป็นเพชรที่ได้รับการเจรไนเต็มที่แล้วไม่มีข้อบกพ่องไม่มีข้อตาหนิ เห็นแล้วก็มีแต่ความสวยงามเพียงอย่างเดียวนี่คือจิตใจของพวกเราทุกคนจิตใจของพวกเรานี่เป็นเหมือนเพชรอันล้ำค่าแต่พวกเราเป็นปุถุชนจิตใจของพวกเราจึงเป็นเพชรที่เพิ่งขุดขึ้นมาจากในดินหรือเป็นเพชรที่ยังอยู่ในดินอยู่ยังไม่มีใครเห็นคุณค่า ราคาอันวิเศษของเพชรถ้าเราได้พบกับผู้ที่ดูเพชรเป็นผู้ที่รู้จักวิธีชำระเพชรวิธีเจรานายเพชรให้เป็นเพชรที่สวยงามเราก็สามารถที่จะเอาเพชรของเราคือใจของเรานี่ ไปชำระให้สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไปเจรไนให้เป็นเพชรที่สวยงามได้พระพุทธเจ้านี้เป็นผู้ที่ได้เจรไนได้ชําระใจของพระพุทธเจ้าจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วเจรไนจนเป็นเพชรที่มีแวววาวสวยงาม พระองค์ก็เลยสอนผู้ที่ยังไม่รู้จักวิธีชำระวิธีเจรานายัยเพชรให้สวยงามได้พอใครได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนำเอาไปปฏิบัติตามได้ไม่นานใจของเขาก็จะกลายเป็นเพชรอันล้ำค่าขึ้นมา เช่นใจของพระอาหลานตัสสาวกทั้งหลายตอนที่ยังไม่ได้พบกับพระพุทธเจ้าก็เป็นเพชรที่เพิ่งขุดขึ้นมาจากดินยังดูแล้วไม่เห็นมีคุณค่าราคาอะไรดูเหมือนกับเป็นก้อนหินก้อนหนึ่งแบบก้อนหินทั่วๆไปเท่านั้นเองแต่พอได้พบกับผู้ชำนาญ วิธีชําละวิธีเจรณายเพชรให้สวยงามสอนให้นำเอาไปชําละเอาไปเจรนายไม่นานใจของผู้นั้นก็จะกลายเป็นเพชรอันสวยงามกลายเป็นพ้าอาหารหันตสาวกขึ้นมากลายเป็นจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขตลอดเวลา24ชั่วโมง365วัน เป็นความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไม่มีวันสิ้นสุดที่เรียกว่าบร ม, มสุขเนี่ยอันนี้คือจิตใจที่ได้รับการชำระได้รับการเจรนายจนสวยงามจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วมีคุณค่าราคาอย่างยิ่งเหมือนกับเพชรที่เขาขายตามร้านต่างๆเป็นของที่มีราคามาก ใครเห็นก็อยากได้กันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าจะได้หรือไม่เท่านั้นเองขึ้นอยู่กับเงินที่มีอยู่ในกระเป๋าถ้าลองมีเงินอยู่ในกระเป๋าเยอะๆนี่ราคาเท่าไหร่ก็ไม่ถอยเพราะเห็นแล้วมันสวยงามยิ่งถ้าเป็นของประดับเป็นสร้อยเป็นอะไรเป็นชุดมีทั้งต้มหูมีทั้ง แหวนมีทั้งสร้อยนี่มาเป็นชุดนี่เห็นแล้วน้ำลายไหลน้ำลายหกถ้ามีเงินพร้อมที่จะซื้อก็รับประกันได้ว่าต้องซื้อทันทีอันนี้ก็เหมือนกันใจของผู้ที่ได้รับการชำระซักฟอกด้วยธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้รับการเจรานายบุญแต่งให้สวยงามแล้ว จะเป็นใจที่น่าน่ารักมากน่าเข้าหาน่าชื่นชมยินดีดังในบทของสังฆคุณที่ทงได้ส่งแสดงว่าผู้ที่ได้ชำระใจด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วสุปฏิปันโนจะเป็นผู้ที่น่าเข้าหาเป็นผู้ที่น่ากราบไหว้บูชา เพราะเป็นผู้ที่จะให้คุณให้ประโยชน์ต่อผู้ที่เข้าหานั้นเองแล้วก็ให้คุณให้ประโยชน์กับใจของเจ้าของด้วยผู้ที่ได้รับเจรณาใจของตนจนสะอาดบริสุทธิ์แล้วจะกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปตอนนี้ใจของพวกเราไม่มีใครปฏิเสธว่า ไม่มีความทุกข์กันมีการมีความทุกข์กันทั้งนั้นแม้ว่าจะเป็นคนระดับไหนก็ตามจะเป็นคนยากจนขอทานหรือจะเป็นมหาเศรษฐีจะเป็นคนธรรมดาสามัญหรือเป็นประธานาธิบดีมหาราชามหากษัตริย์ก็มีความทุกข์เหมือนกัน ทางใจนี่ทุกมากทุกเหมือนกันทางร่างกายอาจจะทุกน้อยต่างกันไปตามกําลังของรั์ที่มีอยู่พอซั์นี่ช่วยบรรเทาความทุกทางร่างกายได้แต่รัพ์ไม่สามารถบรรเทาความทุกทางจิตใจได้จิตใจของทุกๆคนจึงมีความทุกเหมือนกันและอาจจะมีมากกว่ากันซ้ําไป จิตใจของคนที่มีทรัพย์มากอาจจะมีความทุกข์มากกว่าใจิตใจของคนที่มีทรัพย์น้อยก็ได้ลองไปเปรียบเทียบขอทานกับมหาเศรษฐีดูแล้วดูว่าใจของใครจะมีความทุกข์มีความกังวลมากกว่ากันขอทานนี่เขาไม่ค่อยกังวลกับเรื่องทรัพย์เท่าไหร่เพราะเขาไม่มีอะไรจะต้องคอยกังวลกังวลเพียงแต่ว่าวันนี้จะได้กี่ตัง จะได้เอาไปซื้อข้าวกินเท่านั้นเองแต่คนที่มีเงินหมื่นล้านแสนล้านนี่กินไม่ได้นอนไม่หลับนะับางทีไม่แน่ใจว่าทรัพย์ที่ฝากไว้ในธนาคารนี่มันจะหายไปเมื่อไหร่ธนาคารมันจะล้มเมื่อไหร่ดอกเบี้ยขึ้นดอกเบี้ยลงนี่มันก็ทำให้ใจไม่สบายขึ้นมาแล้ว ความจริงแล้วคนจนนี่รู้สึกว่าความทุกข์ทางใจจะน้อยกว่าคนรวยคนรวยนี้มีความทุกข์ทางใจมากกว่าเพราะมีทรัพย์สมบัติเข้าวของเงินทองให้คอยกังวลมากกว่านั้นเองถ้ามีอะไรแล้วก็จะต้องคอยดูแลรักษาแล้วก็ต้องกังวลเพราะมี เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอนเกิดขึ้นได้เสมอเหตุการณ์ที่จะทําให้ทรัพย์สมบัติต่างๆสูญหายไปจึงทําให้คนที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากนี่จะมีความกังวลมากกว่าคนที่มีทรัพย์สมบัติเข้าของน้อยคนที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเข้าของไม่รู้จะไปกังวลกับอะไรนี่คือ หลักความเป็นจริงสำหรับความทุกข์ทางจิตใจเนี่ยทุกข์ด้วยกันทุกคนทุกข์มากทุกข์น้อยอยู่ที่ว่ามีมากหรือมีน้ Sur, อยมีมากก็กังวลมากมีน้อยก็กังวลน้อยแต่ความทุกข์ทางร่างกายนี้ยอมรับว่าคนที่มีเงินทองมากจะทุกข์น้อยกว่าคนที่มีเงินทองน้อย เพราะว่าทรัพย์ทางทรัพย์สมบัตินี้สามารถเอามากําจัดความทุกข์ต่างๆทางร่างกายได้ถ้าทุกข์เพราะหิวก็เอาเงินไปซื้ออาหารมากินได้ถ้าทุกข์เพราะไม่สบายก็เอาเงินไปรักษาได้คนไม่มีเงินอาจจะไม่สามารถรักษาได้เหมือนกับคนมีเงิน เาะโรคบางโรคนี้ต้องใช้ายาที่มีราคาแพงหรือต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเอาไว้วะถ้าไม่มีเงินก็หมอเขาก็ไม่สามารถที่จะช่วยได้เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงดังนั้นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายช่วยกำจัดช่วยบรรเทาความทุกข์ทางร่างกายได้ แต่ไม่มีประโยชน์ทางจิตใจกลับกลายเป็นโทษแก่จิตใจยิ่งมีทรัพย์มากยิ่งวุ่นวายมาก ย, ยิ่งวิตกกังวลมากมีทรัพย์น้อยนี่วุ่นวายน้อยวิตกกังวล น, น้อยไม่มีเลยนี่ไม่ต้องกังวลเลยอยู่พระสงฆ์องค์เจ้านี้ไม่ต้องกังวลเรื่องทรัพย์เลยไม่มีทรัพย์อะไรเป็นของตน อยู่ไปตามมีตามเกิดก็อยู่ได้คนเราถ้ารู้จักปรับตัวเองให้อยู่กับสภาพได้ก็อยู่ได้พระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกทั้งหลายในยุคสมัยพุทธกาลนี้ท่านไม่มีกุติท่านไม่ได้สร้างกุติท่านไม่ได้อยู่ตามกุติไม่ได้อยู่ตามวัดกันวัดของท่านก็ตามป่าตามเขา กุตเตของท่านก็เป็นเงื่อนผาบ้างเป็นถ้าบ้างเป็นโคนไม้บ้างเป็นเรือนร้างบ้างนี่คือที่อยู่ของผู้ที่ไม่มีความทุกข์ทางใจท่านไม่เดือดร้อนท่านไม่กังวลกับอะไรเพราะไม่มีอะไรจะให้กังวลด้วยใจของท่านจึงสงบปราศจากความทุกข์ต่างๆ นี่คือเรื่องความสำคัญของจิตใจของพวกเราพวกเราอย่าไปหลงกับการคิดว่ามีทรัพย์มากๆแล้วจะมีความสุขมากๆถ้าเป็นความสุขมากๆก็สุขทางร่างกายทั้งนั้นเองแต่ความสุขทางจิตใจนี้ไม่มากความทุกข์ทางจิตใจมากเพราะมีสมบัติอะไรต่างๆให้กังวลมากนั่นเอง ดังนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าเราต้องการความสุขของจิตใจเราต้องมาชําระจิตใจกันมาเจรนายจิตใจให้เป็นเพชรน้าหนึ่งขึ้นมาให้ได้ตอนนี้ยังเป็นเพชรที่เพิ่งขุดขึ้นมาจากดินมีเศษดินมีคราบสะกะปกต่างๆหุ้มห่อเพชรอันนั้นอยู่ต้องชําระให้สะอาดก่อน ชำระเสร็จแล้วก็ต้องมาเจรไนามาตบมาแต่งจึงกลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาใจของพวกเราทุกคนนี้สามารถเป็นเพชรน้ำหนึ่งเหมือนใจของพระพุทธเจ้าได้เหมือนใจของพระอาหารหันตสาบกได้เพราะเรามีคนสอนวิธีชาระจิตใจเจรไนาปรุงแต่งจิตใจ ปรับแต่งจิตใจให้เป็นจิตใจที่สวยงามให้เป็นจิตใจที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวได้ขอให้เรามีศรัทธาในคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วขอให้เราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าต้องปฏิบัติแบบสุปฏิปันโน สุปฏิปันโนแปลว่าอย่างไรแปลว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติอย่างไรถึงเรียกว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ปฏิบัติแบบร้อยเปอร์เซนนั่นเองทําเต็มที่ถ้าสอบก็ได้เต็มร้อยข้อสอบที่ต้องทําต้องสอบให้ได้เต็มร้อยถึงจะเรียกว่าสุปฏิปันโนเกรดต้องได้สี่จดศูนย์ เ, เรียกว่าเป็นสุปฏิปโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนนักเรียนที่เรียนดีเรียนเก่งก็จะได้เกิดดีได้สี่จุดอันนี้เราต้องทุ่มเทจริงๆเราจะแทงกั๊กไม่ได้ในเบื้องต้นอาจจะแทงกั๊กไว้ก่อนเพราะเรายัางไม่แน่ใจว่าเราจะ มีความสามารถพอที่จะปฏิบัติตามได้หรือไม่แต่ถ้าเราเริ่มปฏิบัติแล้วถ้าเราปฏิบัติแบบถูกต้องเราจะได้รับผลขึ้นมาตามลำดับพอเราได้เห็นผลอันประเสริฐแล้วมันจะทำให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นและมันจะทำให้เรากล้าที่จะทุ่มเทมากขึ้นจนทุ่มเท ทั้งหมดเลยมีร้อยนี้ก็ทุ่มไปทั้งร้อยเลยคือจะเปลี่ยนจากการปฏิบัติในคราบของผู้เป็นผู้คองเรือนไปเป็นนักบวชนักบวชนี้เป็นผู้ที่ทุ่มเทร้อยเปอร์เซ็ไม่ทำภารกิจอย่า ง, อ, งอื่นทำภารกิจอย่างเดียวคือทำละใจให้สะอาดบริสุทธิ์เจรนายปรับปรุง แต่งให้ใจเป็นใจที่สวยงามถ้าไม่ทุ่มเทเต็มร้อยนี่มันจะไม่มีกำลังพอเวลาจะไม่พอเหมือนเด็กนักเรียนถ้าเรียนเพียงครึ่งเดียวอีกครึ่งหนึ่งไปทำงานมักจะเรียนไม่จบกันนักศึกษาที่เรียนในมหาลัยที่ให้ไปทำงานได้ เวลาเรียนหนังสือก็อาจจะเรียนไม่เต็มที่เพราะต้องแบ่งเวลาไปทำงานทำการต่างๆเวลาจะเรียนให้จบนี่ก็อาจจะจบแต่ช้ากว่านักศึกษาที่ไม่ได้ไปทำงานทำการนักศึกษาที่เรียนเต็มที่เต็มร้อยไปมหาลัยทุกเวลาที่ที่เขากำหนดไว้ให้เข้าห้องเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ ต, ต, ตามเต็มร้อยเนี่ย <Yeah. S 1> มักจะจบภายในเวลาที่เขากําหนดไว้พระพุทธเจ้าก็ทรงกําหนดเวลาของการเจรไนาจิตใจของพวกเรานี้ถ้าพวกเราทุ่มเทกันเต็มที่นี้พระพุทธเจ้าก็กําหนดเวลาไว้สามขั้นด้วยกันสําหรับพวกที่เก่งพวกที่ฉลาดจริงๆนี้ท่านบอกว่าเจ็ดวันก็สามารถ ทำงานนี้ได้สำเร็จสามารถเจรณายใจให้เป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาได้พวกที่ อ, อ่อนลงมาลองลงมาก็พวกเจ็ดเดือนถ้าเจ็ดวันไม่ได้ก็ไปที่เจ็ดเดือนพวกที่สามถ้าเจ็ดเดือนยังไม่เสร็จก็ต้องเสร็จภายในเจ็ดปี อันนี้เป็นคํารับประกันของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้กาหนดหลักสูตรของการชำระจิตใจของการเจรนัยจิตใจให้เป็นจิตใจที่มีคุณค่าราคาอย่างยิ่งสามารถทำได้ภายใ น, ในระยะเวลาเจ็ดปีเป็นอย่างมากถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปี จะสามารถบรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมาได้จะสามารถเอาพระนิพพานเข้ามาเป็นสมบัติของตนได้สามารถหลุดพ้นจากกองทุกข์ต่างๆได้ความทุกข์ทั้งหลายที่เคยมีอยู่ในจิตใจนี้จะหายไปหมดสิน้นจะไม่มีความทุกข์กังวลกับเรื่องอะไรอีกต่อไปไม่ว่าจะ เป็นเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นรางวัลอะไรต่างๆเหรียญเกียรติยศต่างๆจะไม่มีความวิตกกังวลเพราะไม่มีความปรารถนากับสิ่งเหล่านั้นแล้วไม่มีความต้องการไม่มีความจาเป็นที่จะต้องมีสิ่งเหล่านั้นมาให้ความสุข เหมือนกับใจของปุถุชนอย่างพวกเรานี้ใจของพวกเรายัางไม่สามารถเข้าถึงความสุขของพระนิพพานได้ก็เลยต้องอาศัยความสุขจากราบยศสรรเสริญความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่เราก็เลยต้องมาคอยกังวลเพราะเรารู้ว่าราบยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้มันไม่แน่นอนนั่นเอง บางวันมันก็มาบางวันมันก็ไม่มาบางวันมันอยู่บางวันมันก็ไม่อยู่เวลามันไม่อยู่เวลามันไม่มานี่ความสุขที่ได้มันก็จะหายไปมันก็เลยทำให้เรากังวลเพราะเราอยากจะให้มันอยู่กับเราไปเรื่อยๆหรืออยากให้มันมาอยู่เรื่อยๆพอมันหยุดมาหนึกพอมันไม่อยู่ มันก็เลยทำให้เราเศร้าใจเสียใจกันนี่เป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เจรณาจิตใจของเราให้เป็นจิตใจที่ผลิตความสุขให้กับเรานั่นเองเมื่อเราไม่มีความสุขภายในใจเราเราก็เลยต้องออกไปหาความสุขภายนอกความสุขภายนอกก็คือความสุขทางร่างกายนี้เองความสุขที่ ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาเงินหาทองหาตำแหน่งหาเกียรติยศหารางวัลอะไรต่างๆแล้วก็หารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสพพอได้สิ่งเหล่านี้ก็มีความสุขกันแต่มันเป็นความสุขที่ต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆเพราะมันได้มาปุ๊บ มันเหมือนเป็นควันไฟเวลาได้มาปั๊บมันก็จางหายไปได้อะไรมาดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวมันก็ความรู้สึกดีใจนั่นก็หายไปก็ทําให้อยากได้ใหม่เพราะอยากจะได้ความรู้สึกแบบนั้นอีกนั่นเองก็เลยต้องคอยดิ้นหาอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าสิ่งที่ให้ความสุขกับเรา พอมันหายไปมันก็ทำให้เราเศร้าเสียใจนี่คือปัญหาของการที่เราต้องหาความสุขภายนอกใจมันจะทำให้เราต้องวิตกกังวลต้องให้เราอาลัยอาวรเศร้าโศกเสียใจอยู่กับสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆเพราะสิ่งต่างๆที่ให้ความสุขกับเรา มันมาแล้วมันก็ไปนะมันไม่อยู่กับเราไปตลอดมันไม่ได้เป็นของเราไปตลอดไม่เหมือนกับความสุขภายในใจนี่ที่มันจะอยู่กับเราไปตลอดมันจะเป็นของเราไปตลอดจะให้ความสุขกับเราไปตลอดต้องเป็นความสุขทางใจเท่านั้นเราจึงต้องมาเจรานายจิตใจของเรา ต้องมาชําระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ได้เพราะจิตใจที่ได้รับการชําระให้สะอาดบริสุทธิ์นี้จะนําความสุขมาให้แก่จิตใจนั่นเองใจที่สะอาดบริสุทธิ์นี้จะเป็นใจที่มีความสุขสะอาดมากก็สุขมากสะอาดน้อยก็สุขน้อยการเจรไนาจึงแบ่งการชําระใจจึงแบ่งเป็นสี่ระดับ ระดับพระโสดาบันระดับพระสกิดาคามีระดับพระอนาคามีระดับพระอรหันทานชาระสิ่งสกปลกที่ครอบงามจิตใจได้ไม่เท่ากันกําลังซักฟอกมีไม่เท่ากันพระโสดาบันก็กำจัดได้บางส่วนพระสกิดาคามีก็เพิ่มอีกบางส่วนพระอนาคามีก็กำจัดเพิ่มขึ้นไปอีกบางส่วน มีพระอาหารหันต์นี้ที่สามารถกำจัดค้าบสกปรกที่หุ้มห่อจิตใจให้หมดสิ้นไปจากใจได้ทําให้พระอาหารหันต์กับพระพุทธเจ้านี้มีความสุขเต็มร้อยพระอนาคามีนี้มีความสุขห้าสิบห้าสิบพระสกิดาคามีมีความสุขสี่สิบ พระโสดาบันมีความสุข 30% เพราะชำระคราบสกปกที่ครอบงมจิตใ จ, จได้เพียง 30% อเคือลอสังโยชน์สข้อได้สังโยชน์คือคราบสกปกที่หุ้มห่อจิตใ จ, จพระสโสดาบันนี้กำจัดสังโยชน์สมข้อแรกได้คือข้อวิจิตกิฉาข้อ สีลพัตตาปรมานและข้อจักรกายทิฏฐิเนี่ยสามข้อแรกนี้ทำให้ใจของพระโสดาบันสะอาดขึ้นมาส0เซแต่ยังมีอีก 70% เซที่ยังไม่ได้ชำระนี่คือความสุขของพระโสดาบันจึงน้อยกว่าความสุขของพระสกิดาคามีพระสกิดาคามีนี้ กำจัดสังโยชน์อีกสองข้อได้ไปบางส่วนคือไม่หมดทำให้เบาบางลงสังโยชน์อีกสองข้อที่พระสกิรดาคามีกำจัดได้เรียกว่าการมราคะกับปฏิฆะการมาราคะแปลว่าความอยากเสพกามนี่เองปฏิฆะความหงดุดหงิดของนี้มันจะมาคู่กัน เวลาเกิดการมาราค่ะ ม, มันจะทำให้ใจงดเย็นจึงต้องไปเสษมันถึงจะหายงดเย็นเช่นคนอยากจะสูบบุหรี่พอมันไม่ได้สูบมันก็งดเย็ดขึ้นมาพอได้สูบแล้วมันก็หายงดเย็นคนอยากที่จะมีแฟนก็จะงดเย็นเศ้าสร้อยง่อยเหงา ว, า ว, ว้าเหวพอได้แฟนแล้วก็หายเหงาหาย ว, า ว, ว้าเหวสาหรับผู้ที่จะทำให้ การมราคะนี่น้อยลงก็ต้องใช้ปัญญาคือการพิจารณาอสุภะนี่ถ้าเห็นอสุพะเห็นความไม่สวยงามของร่างกายมันก็จะมาลบล้างความเห็นสวยงามของร่างกายได้ถ้าเราไม่พิจารณาอสุพะเรามักจะเห็นร่างกายของคนนั้นคนนี้ว่าหน้าดูหน้าชมว่าสวยว่างามว่ารูปหล่อ เห็นที่หน้าคนเรามักจะดูกันที่หน้าว่าคนนี้หน้าตาดีพอดีแล้วก็เกิดชอบขึ้นมาแต่ถ้ามองเข้าไปใต้ผิวหนังของหน้าก็จะเห็นว่ามันไม่น่าดูเลยเพราะภายใต้ผิวหนังของหน้าก็คือกาลโรกศีรษะนี่เองเียเรามองไม่เห็นกาลโลกศีรษะกันเห็นแต่หน้าเห็นแต่หนังที่หุ้มหอ่อกาลโรกศีรษะ พอเห็นแล้วก็อดที่จะเคลิมคั่งไครไม่ได้เห็นไหมพวกที่บ้าดาราทั้งหลายนี่พอเห็นหน้าดาราแล้วโอ้ตื่นเต้นวุดวาดกันใหญ่ถ้าลองลอกคราบเอาหนังออกลอกหนังออกได้เห็นกะโหลกศีรษะขึ้นมาก็จะกรีดกันไปอีกทางกรีรดหนีไม่ได้กรีดเข้าใกล้ไม่เอาดีกว่า ณ น, น, นี่คือวิธีการจัดการมาราคะของพระสกิฎาคามีท่านจะพยายามเผยดูอสุภะความไม่สวยงามส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายอยู่เรื่อยๆแต่ท่านยังดูไม่ได้ตลอดเวลาบางเวลาก็เห็นบางเวลาก็ไม่เห็นเวลาที่เห็นกามาราคะก็สงบตัวลงเวลาที่ไม่เห็นการมาราคะก็โผล่ขึ้นมาอยู่ ถ้าอยากจะให้มันหายไปหมดก็ต้องพิจารณาให้เห็นทุกเวลานาทีพอเห็นหน้าใครปั๊บนี้ต้องเห็นกัลโลกศีสะของเขาทันทีเยมันไม่น่าจะยากเลยนะแค่นี้เองหนังบางๆเป็นหน้ากากเหมือนหัวโขนที่เราสวมใส่กันแต่ภายใต้หัวโขนนี่เรามองไม่เห็นกัน เพราะเราไม่เคยคิดกันไม่เคยนึกกันนั่นเองไม่มีใครสอนให้คิดไม่มีใครสอนให้นึกกันถ้าลองคิดอยู่เรื่อยๆบ่อยๆต่อไปรับรองได้ว่าเวลาเห็นหน้าตาใครนี่มันจะเห็นกัโหลกศีษะด้วยเพราะมันมาด้วยกันเน่ะมันไม่ได้แยกกันเท่าไหร่เราไปเราไม่มองมันเท่านั้นเองเราไม่นึกถึงมันไม่นึกถึงกโหลกศีษะที่มันอยู่ภายใต้ ผิวหนังผิวหน้าตาของพวกเรามันหนังนี่เป็นเหมือนกับหน้ากากหน้ากากหนังที่หุ้มห่อกะโหลกศีรษะเอาไว้ถ้าเห็นตลอดเวลาก็จะกําจัดการมาราคะได้ตลอดเวลาก็จะไม่มีการที่จะไปหลงไปชอบไปอยากได้ใครมาเป็นแฟนเพราะรู้ว่าเท่ากับได้กะโหลกศีรษะมาเป็นแฟนนั่นเอง เห็นไเวลาเราเห็นภาพกระโหลกศีรษะเราอยากได้มาเป็นแฟนไหมแต่พอไม่เห็นเท่า น, นั้นเองพอเอาหนังมาห่อไว้หน่อยหุ้มห่อไว้หน่อยกลายเป็นของน่ารักขึ้นไปทันทีนี่คือวิธีแก้วิธีชำระจิตใจวิธีชำระคลาบสกปรกที่ครอบงมจิตใจของพระอนาคามีถ้ากบจัดกามราคะได้ก็ สำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วชําระได้สะอาดไปห้าสิบเปอร์ซ็นเมื่อกี้ไม่ได้อธิบายเรื่องของพระโสดาบานันว่าท่านชําระสักกายทิฐิอย่างไรสักกายทิฐิก็คือการไปเห็นว่าร่างกายและความรู้สึกในใจในใ น, ในใจนี้เป็นตัวเราของเราไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเรา ไปเห็นว่าความรู้สึกทางร่างกายและทางจิตใจทางร่างกายว่าเป็นเราเวลาร่างกายเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ก็คิดว่าเราเจ็บเวลาร่างกายเป็นอะไรก็คิดว่าเราเป็นอะไรเวลาร่างกายเป็นเด็กเราก็คิดว่าเราเป็นเด็กเวลาร่างกายโตเราก็คิดว่าเราโตเวลาร่างกายแก่เราก็คิดว่าร่างกายแก่เวลาร่างกายตายเราก็คิดว่า เราตายแต่คนคิดไม่ได้ตายตามความเป็นจริงคนคิดกับร่างกายเป็นคนละคนกันไม่มีใครรู้มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงค้นพบเหมือนคนสมัยก่อนไม่มีใครรู้ว่าโลกนี้มันแบนโลกนี้มันกลมทุกคนก็คิดว่ามันแบนมันเป็นเพียงความคิดเท่านั้นเองแต่เป็นความผิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริง ชันใดความคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราก็เป็นความคิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงร่างกายนี้ความเป็นจริงมันไม่ใช่เป็นเราเรากับร่างกายนี้เป็นเหมือนฝาแฝดมาอยู่ด้วยกันเหมือนแฝดสยามคอเคเห็นแฝดสยามที่เด็กคลอดออกมาแล้วมันร่างกายมันติดกันอยู่มันแยกสมัยก่อนไม่มีวิธีแยกกันออกสมัยสมัยนี้หมอเก่ง หมอสามารถแยกเด็กสองคนที่ติดกันได้บางคนก็ติดที่ศีรษะบางคนก็ติดที่เอลําตัวเดี๋ยวนี้เขามีความสามารถที่จะผ่าแยกแฝดสยามออกจากกันได้ให้อยู่ต่างคนต่างอยู่ได้ใจกับร่างกายก็เป็นเหมือนแฝดสยามมันอยู่ติดกันมาตั้งแต่ตอนที่ปฏิสนธิตอนที่เริ่มตั้งครรภ์เ น, นี่ยมันเริ่มใจมา มามาเกาะติดอยู่กับร่างกายที่พ่อแม่กําลังสร้างขึ้นมาแล้วพอมันจเจริญเติบโตขึ้นมาเต็มที่ก็คลอดออกมาตัวใจนี้มันไม่ต้องกินเนื้อที่มันไม่มีรูปมีร่างไม่มีหน้าตาเรามองไม่เห็นเราจึงมองไม่เห็นใจกันเราเห็นเพียงแต่ร่างกายเราก็เลยไปหลงคิดว่าร่างกายนี้เป็นเรา คนที่คิดก็คือใจนี่แหละใจที่มาติดเป็นแสตสยามกับร่างกายนี้ก็คิดว่าร่างกายเป็นใจคนคิดกับสิ่งที่ถูกคิดมาคิดว่าเป็นอันเดียวกันแต่ความจริงแล้วคนคิดกับสิ่งที่ถูกคิดนี้เป็นคนละคนกันแต่ไม่มีใครรู้ทุกคนที่เกิดมาก็คิดว่าเป็นคนเดียวกัน พ่อแม่ก็คิดว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนเดียวกันเราเกิดมาเราก็คิดว่าร่างกายกับจิตใจเป็นคนเดียวกันเพราะเราไม่เห็นจิตใจนั่นเองเราก็เลยไปเหมาว่าจิตใจมันอยู่ในสมองซะบางทีเขาศึกษาค้นคว้าเรียนวิชาแพทย์เขาก็เลยมาสรุปกันง่ายๆว่าผู้รู้ผู้คิดนี้อยู่ในสมอง เาะสมองนี้เป็นผู้สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวเวลาที่สมองไม่ทํางานนี้ก็ร่างกายก็จะไม่สามารถเคลื่อนไหวทาอะไรได้เขาก็เลยคิดว่าสมองนี้เป็นผู้สั่งซึ่งความจริงเขาก็ถูกแต่ถูกเพียงครึ่งเดียวสมองนี้เป็นผู้รับคําสั่งจากใจก่อนใจต้องสั่ง แล้วสมองถึงมาสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวต่อไปสมองจะสั่งให้ยกแขนยกขาผู้ที่จะสั่งให้ยกแขนยกขาคือใจพอผู้รับคำสั่งคือสมองรับคำสั่งมาก็เลยสั่งให้แขนให้ขาเคลื่อนไหวได้ถ้าไม่มีใจต่อให้สมองดียังไงมันก็เคลื่อนไหวไม่ได้เช่นเวลาตายไป ใจกับร่างกายนี้แยกออกจากกันสมองยังดีอยู่ก็ไม่สามารถสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวทําอะไรได้เพราะผู้ที่สั่งให้สมองสั่งอีกทีนั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่อยู่แล้วแยกกันไปอันนี้พูดเปรียบเทียบให้ฟังเหมือนสมัยนี้รถยนต์ที่เราขับนี้มันก็มีสมองมีเครื่องคอมคอยสั่งให้รถยนต์ทํางาน เดี๋ยวนี้เราเพียงแต่กดปุ่มปั๊บคอมในเครื่องก็จะสั่งให้รถยนต์เปิดแอร์เปิดไฟเปิดกระจกทําอะไรต่างๆเลยแต่มันต้องมีคนสั่งรถอีกทีหนึ่งต้องสั่งเครื่องคอมของรถอีกทีนึงเครื่องคอมมันถึงจะทําทงานได้ฉันใดใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้สมองทําอะไรต่างๆ ให้ร่างกายเคลื่อนไหวทาอะไรต่างๆได้แต่ใจกับร่างกายนี้ไม่ได้เป็นคนเดียวกันก็คือสรุปให้เราเห็นว่าร่างกายกับเรานี้เป็นคนละคนกันร่างกายเป็นอะไรนี่ไม่ได้มาทำให้เราเป็นไปกับร่างกายตามอย่างที่เราเคยคิดกัน เราก็คิดอยู่ว่าเวลาร่างกายเป็นเด็กเราก็คิดว่าเราเป็นเด็กเวลาร่างกายโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็คิดว่าเราเป็นผู้ใหญ่เวลาร่างกายแก่เราก็คิดว่าเราเป็นคนแก่แต่ความจริงมันก็ปฏิเสธคนแก่บางคนนี่ก็ยังคิดเหมือนเด็กอยู่ยังทําตัวเป็นเหมือนเด็กอยู่เพราะว่าใจมันไม่ได้แก่ไปกับร่างกายเขาเรียกว่าคนแก่ที่ไม่ยอมแก่ ก็เพราะว่าใจมันไม่มีความแก่มันไม่มีมันไม่ได้แก่มันไม่ได้เจริญเติบโตมันอยู่กับที่เหมือนเดิมมันเป็นยังไงตั้งแต่วันเกิดมามันก็ยังเป็นอย่างนั้นตอนที่วัตอนที่มันตายมันไม่ได้โตขึ้นมันไม่ได้เล็กลงมันไม่ได้แก่ลงแต่อย่างใดเพราะมันไม่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนร่างกาย มันเป็นเพียงแต่ผู้รู้ผู้คิดเนี่ยมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองความรู้สึกนึกคิดนี้มันไม่แก่มันไม่เจ็บมันไม่ตายมันมีแต่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมารู้สึกทุกข์บ้างสุขบ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างสลับกันไปคิดเรื่องนั้นบ้างคิดเรื่องนี้บ้างรับรู้เรื่องนั้นบ้างรับรู้เรื่องนี้บ้างแล้วมันก็ผ่านไป นี่คือใจที่มาติดกับร่างกายที่มาทุกข์กับร่างกายที่เรามาปฏิบัตินี่เพื่อมาชำละความหลงที่มันทำให้ใจทุกข์กับร่างกายนั่นเองความหลงก็คือสักกายทิฏฐินี่เองความเห็นผิดเป็นชอบเห็นร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวเราว่าเป็นของเราเห็นความรู้สึกของร่างกายที่ไม่ใช่เป็นความรู้สึกของเราว่าเป็นของเรา เราก็เลยทุกไปกับร่างกายเพราะเราไม่อยากให้ร่างกายมันแก่มันเจ็บมันตายนั่นเองแต่ถ้าเราได้ศึกษาได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วหมั่นมาพิจารณาแยกแยะตามที่พระพุทธเจ้าส่งสอนการจะแยกแยะนี่มันต้องแยกแยะด้วยการปฏิบัติคิดอย่างเดียวมันแยกไม่ได้ วิธีที่จะแยกนี้ต้องดึงจิตให้ออกจากร่างกายชั่วคราววิธีที่แยกจิตออกจากร่างกายชั่วคราวก็คือการนั่งสมาธินี้เวลาเรานั่งสมาธินี้เรากำลังดึงจิตออกจากร่างกายให้มันแยกออกจากกันชั่วคราวเพราะเวลาเรานั่งสมาธิเราจะดึงจิตคือผู้รับรู้ทางตาหูจมูกิีนกายออกจาก ตาหูจมูกมืนกายเหมือนกับการอาถอดปลั๊กออกจากปลั๊กนี้ไฟนี้เองถ้าปลั๊กมันอยู่ในปลั๊กไฟไฟมันก็ยังวิ่งเข้าหากันได้อยู่พอเราถอดปลั๊กออกปั๊บไฟมันก็จะไม่วิ่งเข้ามาที่สายที่เครื่องที่เราที่เราเสียบปลั๊กไว้ฉะนด้ใจของเราก็เสียบปลั๊กไว้ที่ร่างกาย เสียบไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายเราจึงรับรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายได้เพราะใจเป็นผู้รับรู้นั่นเองถ้าเราต้องการที่จะถอนใจแยกใจออกจากร่างกายเราก็ต้องถอนปลั๊กออกจากตาหูจมูกลิ้นกายวิธีที่จะถอนก็คือต้องหยุดความคิดที่คิดถึงสิ่งที่มาสัมผัส ทางตาหูจมูกลิ้นกายนั้นเองวันวันหนึ่งนี่เราคิดแต่เรื่องนี้ทั้งนั้นคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสอยู่เรื่อยๆคิดแล้วก็ไปหามันคิดถึงขนมก็ไปหามันคิดถึงอ อ, อาหารก็ไปหามันคิดถึงภาพประยนตร์ก็ไปหามันคิดถึงเพลงก็ไปหามันเนี่ยเราเสียบปลั๊กอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายด้วยความคิดของเราถ้าเราอยากจะถอดปลั๊กออกเราต้องหยุดคิดก่อน วิธีจะหยุดคิดเราก็ต้องให้มันคิดในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเช่นให้คิดถึงคำว่าพุทโธพุทโธไปถ้าเราอยู่กับพุทโธพุทโธไปมันก็จะหยุดความคิดเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้หยุดความคิดถึงลาบยศสารเสริญได้พอมันหยุดคิดมันก็จะถอนออกมาเหมือนถอดปลั๊กออกมามันก็จะไม่รับรู ป, รปเสียงกลิ่นรส ไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆที่เข้ามาทางร่างกายได้ตอนนั้นใจก็จะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวใจก็จะสงบเย็นสบายใจก็จะไม่รับรู้เรื่องของร่างกายตอนนั้นร่างกายเหมือนกับหายไปหรือถ้าไม่หายก็ไม่ยินดีร้ายกับเรื่องราวที่เข้ามาเช่นนั่งไปแล้วเกิดอาการเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ก็จะไม่รู้สึก อ่ารังนำคานใจอยู่กับมันได้ใจไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับร่างกายนี่ถ้าเรานั่งสมาธิแบบนี้ได้มันจะทําให้เราเห็นแล้วว่าอ๋อใจของเรานี้เวลาที่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับร่างกายนี้มันสบายนะมันสบายมันเย็นมันสบายมันไม่วุ่นวายอแต่พอมันออกจากสมาธิมาพอมันกลับเข้ามา เกี่ยวข้องกับร่างกายพอรับรู้เรื่องของร่างกายรับรู้เรื่องของสิ่งต่างๆที่เข้ามาทางร่างกายเดี๋ยวใจเราก็วุ่นวายขึ้นมาทันทีเราจะเห็นโทษว่าเนี่ยการที่เราไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรานี้มันมีแต่จะสร้างเรื่องความทุกข์ต่างๆให้กับเราเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราแยกใจเราออกจากร่างกายไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปใจเราจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนใจเราจะสงบมีความสุขนี่คือวิธีแยกใจออกจากร่างกายวิธีกำจัดสักกายทิฏฐิจะเห็นผลก็ต้องต่อเมื่อมีเหตุการณ์มากระทบกับร่างกาย เช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยใจก็ไม่ไปวุ่นวายไปกับการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเพราะแยกใจออกออกจากร่างกายได้ด้วยการทำสมาธิเพราะร่างกายเจ็บแทนที่จะไปวุ่นวายกับการไปหาหมอหายามาก็เข้าสมาธิไปปล่อยให้มันเจ็บไปมันหายก็หายไม่หายก็อยู่กับมันไป ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายอยู่ดีหายแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นใหม่มันก็จะเป็นไปเรื่อยๆตราบใดที่มันยังมีชีวิตอยู่มันจะไม่มีโรคไม่มีความเจ็บไข้ก็ต่อเมื่อร่างกายมันตายไปเท่านั้นเองแล้มันก็ไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายถ้าใจสามารถปล่อยความเจ็บได้ปล่อยความตายได้ปล่อยความแก่ได้ใจก็ ไม่ทุกข์กับร่างกายใจก็กาจัดความทุกข์ไปได้สิบเปอร์เซ็นตความทุกข์ที่เกิดจากการไปยึดไปติดกับร่างกายพอพอปฏิบัติตามคาสอนของพระเจ้าเห็นผลก็เกิดความเชื่อขึ้นมาทันทีเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ร้อยเปอร์เซ็นตทีนี้ไม่มีการลังเลสงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่ ก็จะกำจัดวิจิตกิจฉาได้อีกข้อหนึ่งก็เพิ่มความสุขขึ้นมาอีกสิเปรเซ็นต์แล้วก็จะกำจัดศีลับพระตะปรามาได้เพราะเชื่อคำสอนอุตจาว่าความทุกข์ของพวกเรานี้เกิดจากการกระทำบาปทั้งปวงนั่นเองถ้าทำบาปแล้วใจจะต้องทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อยากทำบาป ตายแล้วก็ต้องไปเกิดในอบายถ้าทําบาปถ้าไม่อยากไปเกิดในอบายไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปทําบาปพระโสดาบันก็จะไม่กระทําบาปโดยเด็ดขาดจะรักษาศีลห้ายิ่งกว่าชีวิตอันนี้ก็กําจัดข้อศีลับพัตตศีลับพัตแตแปลว่าความนังเลสงสัย ว่ารักษาศีลแล้วจะได้ได้ประโยชน์จริงหรือไม่ส่วนใหญ่จะเห็นว่าเสียประโยชน์กันเวลาจะกินเหล้าพอไม่ได้ถ้าต้องรักษาศีลก็ไม่ได้กินเหล้าอย่างนี้ก็เสียประโยชน์เวลาจะไปประพฤติผิดประเวณีก็ถ้ารักษาศีลก็ประพฤติผิดประเวณีไม่ได้ก็มีแต่เสียประโยชน์เราจะไปรักษาศีลมันทําไม เพราะเขาไม่รู้ว่าเวลาทำไปแล้วมันทำให้เกิดความทุกข์ใจตามมาทีหลังนั่นเองเวลาไปขโมยเงินใครนี่เดี๋ยวความทุกข์ใจต้องตามมาแล้วกลัวจุดกลัวจะถูกจับนั่นเองกลัวจะถูกจับไปลงโทษดังนั้นพระโสดาบันก็จะละสังโยชน์สามข้อแรกนี้ได้ละสักกายทิฏฐิละวิจิตกิจฉา ความนังเลยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระสวสดาบาล น, นี้ไม่จำเป็นจะต้องไ ป, ไปที่ประเทศอินเดียพวกที่ไปเป็นประเทศอินเดียนี่ยังไม่มีความมั่นใจอยากจะเห็นเห็นกับตาว่าพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นจริงๆหรือไม่ความจริงไปแล้วก็ไม่เห็นอยู่ดีเห็นแต่อะไรก็ไม่รู้ที่เขาบอกว่าเป็นนูน่นเป็นนี่ไอคนที่บอกมันก็ไม่เคยเห็นมาก่อน มันก็เชื่อกันมาเขาเล่ากันมาก็ฟังกันมาพูดกันมาเท่านั้นเองถ้าเกิดมันเล่าผิดพูดผิดมันก็กลายเป็นของผิดไปก็ได้คนที่ไปอินเดียบางทีก็ยังละวิจิตจฉาไม่ได้อยู่ดีไปแล้วบางทีก็ยังสงสัยมันเป็นอย่างที่เขาพูดหรือเปล่ามันต้องสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้วไม่มีอะไรไม่มีภาพถ่ายเหมือนสมัยนี้ ถ้าสมัยนี้มีภาพถ่ายก็ยังไม่เชื่อเองครับไปหาว่าภาพปลอมอีกทีนี้ภาพมันก็แต่งได้แต่งภาพกันได้หลอกกันได้ยังถ้าอยากจะให้หายสงสัยนี้ต้องมาละสังโยชน์ต้องมาละสักกายทิฏฐิให้ได้ถ้าละสักกายทิฏฐิได้แล้วจะหายสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์จะหายสงสัยในเรื่องศีลว่าเป็น เป็นสิ่งที่จะป้องกันให้ใจเราไม่ไปเกิดในอบายได้หรือไม่เนี่ยพระโสดาบันจึงไม่ไปเกิดในอบายเพระอริยบุคคลทุกๆคนนี่ตายไปแล้วจะไม่ไปเกิดในอบายเพราะท่านจะรักษาศีลยิ่งกว่าชีวิตของท่านนี่คือตัวอย่างของการชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นขั้นเป็นตอนไปเพราะคาบโสกปรกนี้มันมีหลายชั้นด้วยกัน ชั้นที่ง่ายก็หลุดง่ายหน่อยชั้นที่ยากก็หลุดยากหน่อยชั้นที่ยากต่อไปอาจจะต้องใช้น้ำยาถึงจะออกตอนต้นอาจจะใช้น้ำเปล่าๆชั้นต่อไปอาจจะใช้ผงซับฟอกแล้วพอผงซับฟอกยังมีเหลือคาบอีกก็ต้องใช้น้ำยาสกัดเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันการละสังโยชน์สิบข้อนี้ก็ต้องทำไปเป็นขั้นๆไป ขั้นสามส า, มส า, มสามขั้นแรกก็เป็นพระโสดาบันถ้าทำอีกสองขั้นต่อมาให้เบาบางลงก็เป็นพระสะกิดาคามีถ้ากาจัดให้หมดไปได้ก็เป็นพระอนาคามีก็หมดไปสำหรับสังโยชนเบื้องต่ำสังโยชนนี้แบ่งเป็นสองระดับด้วยกันสังโยชนเบื้องต่ำนะสังโยชนเบื้องสูง สังโยชน์เบื้องต่ำนี้เกี่ยวกับเรื่องของร่างกายต้องพิจารณาร่างกายถึงจะสามารถกำจัดสังโยชน์เบื้องต่ำได้หมดนะผู้ที่ผ่านสังโยชน์เบื้องต่ำไปแล้วจะไม่มีความจำเป็นจะต้องมาพิจารณาร่างกายกต่อไปเพราะว่าไม่หลงไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายไม่ว่าในในในลักษณะไหนก็ตามไม่หลงไม่ยึดติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเรา ไม่หลงไม่ยึดติดว่าร่างกายนี้น่าดูน่าชมว่าสวยว่างามเนเพราะเห็นส่วนที่อยู่ภายใต้ผิวหนังหรือเห็นตอนที่ร่างกายมันตายไปหรือเห็นตอนที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเห็นตอนที่ร่างกายแก่เนี่ยมีใครเอาดาราแก่แก่มาเป็นนางเอกมาเป็นพระเอกกันไหมไม่มีแหละมีแต่หาแต่หนุ่มหนุ่มสาวๆมาเป็นพระเอกนางเอกกัน พอเป็นคนแก่เขาก็จับไปเล่นเป็นพ่อเป็นแม่ของพระเอกนางเอกต่อไปอันนี้ก็เหมือนกันร่างกายถ้าเรามองตอนที่มันแก่มันเจ็บมันตายนี่มันไม่สวยงามเหมือนตอนที่มันเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือมองเข้าไปในข้างในของร่างกายมองเข้าไปใต้ผิวหนังมันก็จะเห็นอวัยวะต่างๆมันก็จะไม่มีความลหลงไหลข้งังไครไม่มีการอารมณ์เกิดขึ้น อันนี้ก็จะผ่านเรื่องร่างกายไปได้พระอนาคามีนี้ไม่ติดร่างกายตายไปก็ไม่กลับมาเกิดในเป็นมนุษย์เด็กต่อไปอย่าตา ย, ยังไปติดอยู่กับเป็นเทวดาเป็นสว์เป็นพรหมอยู่ยังติดกับจิตใจเป็นอยู่เป็นจิตใจจะไปเป็นจิตของพระพรมเพราะว่ากิเลสตัณหาที่เกี่ยวกับร่างกายนี้ถูกชำระไปหมด แต่ยังไปติดอยู่กับกิเลสตัณหาของพรมอยู่คือความสงบขั้นต่างๆแล้วก็ความหลงที่ยังไปคิดว่าจิตผู้รู้ผู้คิดนี้เป็นตัวตนอยู่ยังไปมีความอยากให้จิตนั้นมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวจิตที่ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์นี้มันยังมีคาบของ สิ่งที่ทำให้จิตใจทุกข์อยู่อันนี้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาต่อไปจนในที่สุดก็จะเห็นว่าสิ่งที่จิตยังติดอยู่เช่นความสงบของฌานว่ามันเป็นไตรลักไม่เที่ยงถ้าไปยึดไปติดมันไปอยากให้มันสงบเวลามันไม่สงบก็จะทำให้ใจทุกข์ได้ แล้วก็พิจารณาว่าจิตก็เป็นแค่ตัวรู้ตัวคิดไม่ใช่ตัวตนแต่ถ้าไม่พิจารณาก็ยังคิดว่าจิตเป็นตัวตนอยู่เป็นตัวเราอยู่แต่พิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าตัวเรามันมาจากความคิดนี่พอเราไม่คิดตัวเรามันก็หายไปพอคิดตัวเรามันก็กลับมายันถ้าไม่คิดก็จะรู้ว่ามันไม่มีตัวตนถ้าไปคิดว่ามีตัวตนมันก็ทำให้ทุกข์ได้ พราพอมีตัวตนก็ต้องถือตัวกันเลต้องถือตัวต้องรักต้องรักศักสกีอะไรขึ้นมาแล้วใครหยามไม่ได้แล้วใครไม่ให้เกียรติไม่ได้แล้วจ ะ, จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแต่ถ้าเห็นว่าเป็นแค่ตัวรู้ใครเขาไม่ให้เกียรติก็รู้ว่าเขาไม่ให้เกียรติใครเ้าหยามก็รู้ว่าเขาหยามเท่านั้นเองก็จะไม่เป็นปัญหาอะไร ถ้าทำจิตให้เป็นตัวรู้อย่าไปทำจิตให้เป็นตัวตนถ้าเป็นตัวตนเราจะถือตัวถือว่าเราเป็นนายกถือว่าเราเป็นสสถือว่าเราเป็นประธานเป็นนู่นเป็นนี่พอใครเขาไม่ให้เกียรติประธานหน่อยไม่ให้เกียรตินายกหน่อยก็ไม่สบายใจไม่พอใจแต่ถ้าถือว่าเราไม่ได้ใช่เป็นตัวตนเราไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรเราเป็นแค่ตัวรู้ เราไปไหนก็สักแต่ว่ารู้ไปใครด่าก็รู้ว่าเขาดา่าใครชมก็รู้ว่าเขาชมไปไม่ได้ชมเราชมตัวรู้ตัวรู้ก็รู้ไปเฉยๆมันก็ไม่มีปัญหาเลยอมันก็จะละไปเรื่อยๆความอยากที่อยากให้ใจมันมีความสุขตลอดเวลามันก็รู้ว่าเป็นไปไม่ได้เพราะใจมันยังมีสุขทุกข์สลับกันอยู่มีขึ้นๆลงๆอยู่ ก็ต้องตัดความอยากอันนี้ไปเพราะตัดความอยากเหล่านี้ไปหมดปั๊บนี้ใจมันก็เลยพลิกเป็นหน้ามือเป็นหลังมือจากใจที่ยังสุกเดิบบกลายเป็นใจที่สะอาดบอยสุดใจที่ไม่มีการไม่สุกไม่ดิบอีกต่อไปเป็นใจที่สะอาดบอยสุดิเป็นใจที่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นใจที่ไม่มีวันเสือ่อมต่อไปอ น, นี่คือการปฏิบัติชั mpla ภาพสกปกต่างๆที่ครอบงำจิตใจทำให้จ so ิตใจไม่มีคุณค่าพวกเรานี้จะไม่ค่อยเห็นคุณค่าของจิตใจของพวกเราเท่าไหร่ว่าเราจึงไปหาเพชรข้างนอกกันใชไไปหาเพชรไปหาเงินไปหาทองเพราะไปเห็นว่าเขามีคุณค่าเขาให้ความสุขมากกว่าจิตใจของเราก็เพราะว่าเราไม่เคยให้ลให้จิตใจผลิตความสุขให้กับเราเนี่ย เราก็เลยไม่เห็นคุณค่าของจิตใจแต่พอเรามาปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเกิดความสุขขึ้นมาภายในใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นเน่เราจะเห็นคุณค่าของใจทันทีโอรว่าความสุขอานวิเศษนี้ไม่มีที่ไหนแล้วมีอยู่ในใจของเรานี่เองเราโง่เราหลงไปคิดว่าความสุขอยู่ที่ข้าวของเงินทองอยู่ที่รถยนต์อยู่ที่คอนโดอยู่ที่อะไรต่าง มันเป็นความสุขทางกายเท่านั้นแต่ความสุขทางใจนี้มันกลับไม่มีมกลับน้อยลงพอไม่มีอะไรแล้วก็ไปวุ่นวายกับสิ่งที่มีทันทีมันก็เลยหายหลงพอมันได้ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเครื่องชาระใจก็มีทานศีลภาวนานี่ถ้าเรามาปฏิบัติทานศีลภาวนานได้ใจของเราก็จะ กำจัดคราบสกปรกต่างๆออกไปเป็นขั้นๆได้พอคราบสปกปรกหลุดออกไปความสุขก็เกิดขึ้นมามันก็จะทําให้เราเห็นมีดวงตาเห็นธรรมแล้วพระโสดาวันมีดวงตาเห็นธรรมแล้วว่างานที่เราต้องทําไม่ใช่งานข้างนอกงานข้างในทรัพย์ที่เราต้องหาไม่ใช่ทรัพย์ภายนอกต้องทรัพย์ภายในคืออริยทรัพย์ เราต้องหาด้วยการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าทานศีลภาวนาแล้วเราก็จะได้ได้ทรัพย์ที่แท้จริงได้สมบัติที่แท้จริงที่ให้ความสุขกับเราที่ปราศจากความวิตกกังวลต่างๆพอทรัพย์ที่แท้จริงนี้ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่มีใครสามารถที่จะมาแย่งจากเราไปได้ไม่เหมือนกับทรัพย์ภายนอก มีมากมีน้อยไม่ช้าก็เร็วก็ต้องจากกันไปนี่แหละคือใจของพวกเราที่ตอนนี้ยังเป็นเหมือนเพชรที่เพิ่งขุดขึ้นมาจากดินอยู่ยังมีคราบสกปรกต่างๆที่เราต้องมาชำระกันด้วยชำระซักฟอกด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้า คือด้วยการทำบุญทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาทุกทุกครั้งที่เราทำบุญทุกครั้งที่เรารักษาศีนี้ก็เท่ากับเรากำลังเอาใจของเรามาซักฟอกนั่นเองซักไปเรื่อยๆฟอกไปเรื่อยๆเหมือนเสือนะ้อผ้าเนี่ยซักไปเรื่อยๆฟอกไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็สะอาดเองอย่ า, อาไปจุบน้ำปับ๊บยังไม่ทันเปียกก็เอาขึ้นมาแล้วถ้าอย่างนี้มันยังไม่มีวันที่จะสะอาดได้ มันต้องซักไปเรื่อยๆปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะสะอาดภายในเวลาที่พระพุทธเจ้ากาหนดไว้นั่นเองถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถทำกันได้ถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ขอให้เราปลูกฝังศรัทธาด้วยการศึกษาคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวศรัทธามันจะโผก่ขึ้นมาเองแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำให้เราก้าที่จะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการทำภารกิจคือการซักพอกจิตใจนี้ให้สําเร็จลุล่วงไปได้การแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร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 อรโสยะาสัพีตโยวิวาจจันตุสัพโรโววินาสตุมาเตภวัตวันตรโยสุขีทีฆายุโกภะ าพิวาทนาสีลิสะนิจังุทาปจายโนจตารโรธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังวันนี้เข้ามาเท่าไหร่วันนี้ทางเฟ e บุ o k เข้ามาสา1รอยเจ็ดสิบเอ็ y o u t u สองร1อยห้าสิบเอ็ดวิทยุออนไลน์ยี่สิบเอ็ดผู้รับฟังข้างบนนี้หกสิบห้าคนรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยแปดคนครับใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งเข้ามาก็ได้จะมีผู้ที่จะถามให้ อาจารย์โกวันนี้มีคำถามพูดเบาๆหน่อยนะเสียงเรามันแปดหลอดอาจารย์ครับวันนี้ไม่ใช่วันพุธนะครับวันนี้เป็นวันตุตจีนหยุดร้านสามวัน <c oughs> ก็เลยมารบกวนอาจารย์อีกหลังจากที่ฟังทมไปแล้วจิตใจนิ่งสงบแล้วก็ตัวของการแก้ปัญหาขายับเข้ามา เพ่นเดียวบ้างสิบห้านาทีบ้างแล้วในที่สุดหนึ่งสองนาทีก็สามารถจะแก้ปัญหาได้ส่วนตัวของโอกเองก็อยู่กับวงการเสริมสวยวันวันหนึ่งก็จะมีเรื่องราวให้คิดมากมายเปรียบเหมือนแมงมุมที่มีใหญ่เวลามีสิ่งมาแล้วกระทบจิตใจมันก็ทุกติ๊กไปทางนู้นมั่งทางนี้มั่งอันนี้อยากจะถามอาจารย์ว่าตอนที่เราเข้าใจทำแล้วนัตโลเกออนินทิโต บุคคลผู้ไม่โดนนินทาในไม่มีในโลกแต่อย่างไรก็ดีอหลักเกิดสิ่งเลามากระทบมันก็สามารถจะมาจัดการกับเราได้อิม e มด a เอ l y ทำให้เราจิตใจแบบสะเทือนไปแว๊บๆอย่างเงี้ยตัวตรงเนี้ยที่มันที่มันต่อเนื่องจากสิ่งเลาที่เราอยู่ในสังคมอะ่ะเราจะจัดกับมันยังไงครับอาจารย์เราต้องกาจัดความอยากที่อยากให้คนเขาชมเราอยากไม่ให้เานินทาเรา จะกำจัดได้ก็ต้องมองความจริงว่านินทานสรรเสริญเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้เหมือนดินฟ้าอากาศเราห้ามดินฟ้าอากาศได้ไหมห้ามไม่ได้ครับอาจาเราหวนไหวกับดินฟ้าอากาศไหมไม่หวนไหวครับตกก็ตกแดดออกก็ออกไปเพราะเราไม่เราู้ว่าเราไปสั่งมันไม่ได้ยันใดสรรเสริญนิทาก็เหมือนฝนตกแดดออกไปสั่งเขาไม่ได้เขาจะตกก็ตกเขาจะ ออกก็ออกเขาจะดากก่ดาก็ด่าเขาจะชมก็ชมเราอย่าไปหวังอะไรจากเขาแล้วเราก็จะไม่ทุกข์ก็ใจไป แ, แต่ตอนนี้เรายังหวังให้คนชมเราอยู่อาจารย์โกรธดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เพราะอาจารย์โดนด่าหน่อยอาจารย์โกรธนี่ไม่ได้เรื่องเลยโกรธขึ้นมาทันทีอเพราะความอยากเรายังอยากให้เขาชมอยากให้เขาไม่ด่าเรา เราต้องพิจารณาใจรักว่าการสรรเสริญนินทานนี้เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นอนัตตาสัพเพธรรมะอนัตตาเราไปห้ามไปสั่งเขาไม่ได้ห้ามให้ฝนหยุดไม่ได้สั่งให้ฝนตกไม่ได้มันจะตกมันก็จะตกของมันมันจะหยุดมันก็จะหยุดของมันเราห้ามใจเราได้ห้ามใจเราอย่าไปอยากอย่าไปหวังอะไรจากใครอย่างนั้นเวลาเราโทสะ เราแผ่เมตตาแล้วเรานิ่งแล้วในใจเรายิ้มสู้กับมันจะเป็นเรื่องยากไหม จ, จะทําให้บุคคลผู้เป็นสัตโตหรือคนที่เขาพูดไม่ดีกับเราให้เขาเห็นว่าเราเหมือนเด็กปัญญาอ่อนนิ่งเรายิ้มที่เราจะมีขันติและสุระจะนิ่งอยู่กับที่ครับพรอาจารย์อนิ่งได้อย่าไปยิ้มยิ้มเดี๋ยวก็หาไปเยาะเยอะเขาอย่าง <c oughs> ทตัวเหมือนต้นเสาอ่ะมลองลองไปด่าเสาดูสักพักเลย อยากเสาแล้วเสามันไม่ตอบโต้เดี๋ยวคนด่ามันก็เมื่อยมันก็หยุดด่าเองอะตอนนี้มาถึงขั้นแผลบุญวเวลาทำบุญยังอยากที่จะต้องทำเยอะๆหน้าใหญ่ต้องรอเสกมลชนมาแล้วความที่มีบุญนั้นก็ เกิดเป็นแผลบุญวิธีที่เราจะทำให้แผลบุญนั้นจางไปในที่สุดเราจะทำยังไงครับอาจารย์ก็ทำแบบปิดทองหลังพระทำอย่าไปให้ใครเขารู้การทำบุญนี้ไม่ได้ทาเพื่อให้เกิดหน้าเกิดตาขึ้นมาการทำบุญเพื่อเติมความอิ่มใจสุขใจการอิ่มใจสุขใจนี้มันเกิดจากการที่เราทำโดยที่ไม่ต้องการผลตอบแทนจากใคร ถ้าเราต้องการผลตอบแทนนี้มันไม่ได้เป็นการทำบุญมันเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นการซื้อขายเหมือนกับเอาเงินไปซื้อของที่ร้านจะไม่เกิดความสุขใจอิ่มใจเพราะมีการแลกเปลี่ยนกันถ้าอยากให้เกิดความสุขใจเอาเงินไปที่ร้านแล้วบอกกูไม่ต้องการอะไรกูต้องการให้เงินมึงเราจะเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาทันที เป้าหมายของการทำบุญก็เพื่อให้เกิดความอิ่มใจสุขใจไม่ได้เกิดมีการสัตว์เสริญยกย่องชื่นชมยินดีกับการทำบุญของเราเวลาที่เราทำบาปโดยที่มีลักษณะจนตรอกเช่นขโมยนมไปให้ลูกกินหรือ ว, ว่าหิวจนกระทั่งสามารถจะไปหยิบของกินของเขา กรรมเบื้องหน้าที่เกิดขึ้นกับความจนตอกึ่งตัวเองไม่ได้มีวิชาความรู้อะไรแล้วน่าสงสารจริงๆเราควรจะพิจารณาทำข้อใดแล้วเป็นความผิดหลายแหล่มั้ยครับการหิวแล้วขโมยทำบาปด้วยความจำเป็ น, นก็เป็นเดรัจฉานเป็นนิสัยของสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันต้องฆ่ากันเพื่อกินเพื่ออยู่รอดถ้าเราฆ่ากินเพื่ออยู่รอดก็เท่ากับเราเป็นเดรัจฉาน ตายไปก็ต้องก็ไปเกิดเป็นเดชะฉานถ้าทำด้วยความโลภอยากได้เยอะๆก็ไปเป็นเปรตถ้าทำด้วยความกลัวก็ไปเป็นอสุลกายถ้าทำด้วยความมาคาดพยาบาทก็ไปเป็นนรกที่ไปของอบายสี่ไปเพราะความรักชังกลัวหลงหลงคือไม่รู้ว่าผิดแต่คิดว่าต้องทำเพื่อเลี้ยงชีพเรียกว่าหลง อันนี้เดลฉ า, านทำเพราะโลภอยากได้เยอะๆทั้งๆที่ไม่ไม่ทำก็อยู่ได้แต่ไม่พอใจอยากได้เยอะๆอยากได้มากๆก็เป็นเปรตปเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหยถ้าทำด้วยความกลัวกลัวคนนั้นก็จะมาดา่าเราแล้วก็ฆ่ามันซะก่อนนี้ทำร้ายมันซะก่อนอันนี้ก็จะทำให้เป็นอสู ร, รากายดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดกลัว เราถ้าค้าด้วยอาฆาตพยาบาททำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทอันนี้ก็ไปนรกร้อนคนที่ทำด้วยอาฆาตพยาบาทนี่จะรุ่มร้อนจิตใจฟันต่อตาตาต่อตาฟันต่อฟันตาต่อตาเนี่ยมันจะทำให้ใจกินไม่ได้นอนไม่หลับตอนมานบนมผ่านพุทธองค์แล้วทำงวหายพุทธองค์บอกไม่มีงวก็เลยไม่ทุกข์ ท้ายที่สุดมานบหนมนั้นก็เป็นเอพิคุอยากทราบอาจารย์ว่าจากสามอาจารย์ว่าเวลาพุทธองค์แนะนำคนที่จะให้บวชเขาต้องรัดกลมอย่างไรเป็นวิธีที่สั้นๆและให้เห็นธรรมครับ อ, อ๋อคนที่ไปหาพระเจ้าก็เป็นเหมือนคนที่ไปโรงเรียนเนี่ยมีหลายระดับด้วยกันไม่มีสูตรตายตัวเด็กป .1 ก็อสอนระดับเด็กป .1 เ, เด็กม .6 ก็ต้องสอนระดับม .6 เด็กปริญญาก็ต้องสอนปริญญายันไม่มีสูตรตายตัวการสอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนเฉพาะเหมาะสมกับบุคคล น, นั้นๆคําสอนยังไม่เหมือนกันไงครับมิภาฮิยะไปขอฟังเทศฟังธรรมพุทธเจ้าบอกไม่ใช่เวลาเขาบอกขอให้สรุปนะพุทธเจ้าก็สรุปเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นก็ขอบวชเป็นเนหิพิโคําถามสุดท้าย ในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมจนแก่นี้ก็อายุมากแล้วห้าสิบห้าแล้วเพิ่งรู้ว่าธรรมะเวลาเสพแล้วเหมือนตะช่างไม่เอียงไปทางซ้ายไม่เอียงไปควงขวามันเที่ยงและทำให้มันสุขใจเร่งเห็นปฏิยัติปฏิบัติปฏิเวศแล้วเราก้นนิ่งเพียงแต่ตอนนี้ยังมีช่วงไม่นิ่งเพราะว่าร่างกายนั้นยังมีชีวิตอยู่หลังจากนี้ต่อไปอกูต้องปฏิบัติตัว อย่างไรต่อครับอาจารย์ก็ปฏิบัติให้เข้มข้นมากขึ้นเคยปฏิบัติเท่าไหร่ก็เพิ่มให้มันมากขึ้นเพิ่มเวลาการปฏิบัติให้มากขึ้นเคยทำบุญเท่าไหร่ก็เพิ่มขึ้นไปจากหนึ่งเท่าเป็นสองเท่าจากสองเท่าเป็นสามเท่าไปทําจนกระทั่งไม่มีหรือให้ทําถึงจะหยุด าการทุกวันนี้หนูก็ยกนี่ให้คนหมดแล้วที่ด้วยถ้าหมดแล้วก็แล้วไปถ้าหมดแล้วก็แล้วไปไงถ้ายังเหลืออยู่ก็ต้องทํำต่อถ้ายังเอาเงินไปเที่ยวไปไปเล่นอยู่ก็ต้องเอาเงินไปเที่ยวไปเน่นนั้นไปทําบุญให้หนึ่งเก็บไว้ได้เฉพาะเงินเลี้ยงปากเรงทองก็เบาดีกรรมนรวศการอาจารย์คร่ะโอเคทางบ้านต่อถ้ามี คำถามจากทาง Facebook นะครับจากคุณนุย้ยแม่แก่มากแล้วนอนติดเตียงมาสามปีกว่ามีครั้งหนึ่งพาท่านไปหาหมอหลอดลมตีบต้องใส่ท่อช่วยหายใจท่านเจ็บและทรมานมากนอนร้องไห้หากไม่ให้หมอรักษาท่านก็จากไปหากมีแบบนี้ครั้งต่อไปตัดสินใจไม่ได้เลยว่าควรให้หมอรักษาหรือปล่อยให้ท่านเป็นไปตามธรรมชาติ ต้องถามแม่ดูถ้าแม่โถ้าแม่ยังรู้เรื่องถามแม่ได้ก็ถามแม่ว่าจะเอาอยัางไงแม่จะเาจาะไหมจะใส่ท่อไหมถ้าแม่บอกไม่เอา ก, ก็ทาตามที่แม่บอกถ้าแม่ไม่รู้เรื่องแล้วก็กตัดสินใจเอาเองจะให้ท่านทรมานหรือจะไม่ให้ท่านทรมานตายแบบทรมานหรือตายแบบไม่ทรมาน ถ้าไม่อยากให้ทรมานก็ไม่ต้องรักษาต่อไปถ้ารักษาแล้วมันไม่เกิดผลก็มันรักษาไปให้เสียเวลาเปล่าๆทรมานกันไปเปล่าๆคําคถามต่อไปจากคุณวารินเวลานั่งสมาธิทําไมเหมือนตัวหมุนเจ้าคะ่ะอ๋อเวลานั่งมันมีนมอาการแปลกๆหลายอย่างที่มันหมุนเพราะเราไม่มีสติเท่านี้ถ้าเรามีสติมันไม่หมุนถ้านั่งเฉยๆไม่พุโทโธไม่ดูลมเดี๋ยวมันก็หมุนะ ม้ังเดี๋ยวมันก็ขยายตัวใหญ่ขึ้นมาบางทีก็หดมันเป็นอาการจิตปรุงแต่งหลอกเราไปเท่านั้นเองเห็นเวลานั่งสมาธิอย่านั่งเฉยๆนั่งแล้วต้องมีสติกำกับพุโทโธกำกับหรือดูลมหายใจกำกับไปแล้วมันจะนิ่งมันจะสงบไม่มีปัญหาอะไรคำถามต่อไปจากคุณเอกมีสองคำถามนะครับคำถามที่หนึ่งเหตุใดพระนางวิสาขาและพระภาหิยะ สามารถบรรลุทำได้เพียงแต่พิจารณาธรรมโดยไม่ต้องฝึกสมาธิครับก็เขามีมาแล้วไงพวกนี้เขาอดีตชาติเขาเคยฝึกมาแล้วเหมือนคนที่ย้ายบ้านจากบ้านนี้ย้ายไปอีกบ้านหนึ่งเรียนจบชั้นไหนตรงนี้ก็ไปเรียนต่อชั้นต่อไปได้สิ่งที่เราปฏิบัติให้แกจ่จิตใจเช่นทานศีลภาวนานี้มันมันเอาติดตัวไปได้ ไม่เหมือนกับตำแหน่งต่างๆไม่เหมือนกับเข้าของเงินทองนี้เอาไปไม่ได้แต่การทำทานของเรานักษาสีนของเราการฝึกสมาธิของเราการเจริญปัญญาของเรานี้เราเอาไปทำต่อได้เลยไปต่อยอดได้คำถามที่สองถ้าเรามีสัมมาวายามะคือมีความเพียรที่จะพิจารณาธรรมเพียงอย่างเดียวจะสามารถบรรลุธรรมได้หรือไม่ครับ ก็อยู่ที่ว่าเรามีศีลสมาธิแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีศีลสมาธิพิจารณาไปก็เอามาใช้ประโยชน์ไม่ได้พอถึงเวลากิเลสโผล่ขึ้นมาทำที่พิจารณาก็หายหมดกลับไปทำตามกิเลสสั่งถ้าอย่างนั้นก็ยังแสดงว่ายังพิจารณาทมอย่างเดียวไม่ได้ รักษาศีลได้หรื อ, อยังศีลห้ารักษาได้หรือเปล่าศีลแปดรักษาได้หรือเปล่าต้องดูตรงนี้ถ้ารักษาได้แล้วทำจิตให้สงบได้หรือเปล่าถ้าทำแบบนี้ไม่ได้ไปพิจารณาธรรมก็เปล่าประโยชน์คำถามจากคุณชลิตมีสองคำถามครับคำถามที่หนึ่งจิตที่เข้าถึงความว่างในระดับอัปปนาสมาธิยังมีเวทนาปรากฏอยู่หรือไม่ครับ มีสองอย่างร่างกายหายไปไม่มีเวทนาเลยอีกอย่างแบบร่างกายยังอยู่เวทนายังอยู่แต่จิตเป็นอุเบกขาไม่กังวลไม่วุ่นวายไปกับความเจ็บของร่างกาย <c oughs> คำถามที่สองถ้าคนตายในขณะที่จิตอยู่ในขั้นอัปปนาสมาธิจิตนั้นจะเข้าถึงความดับในอริยสัจสี่หรือไม่ครับนม่รกก็เข้ า, าในระดับของของ ของสังขารความคิดปรุงแต่งก็จะอยู่ในระดับของฌานอยู่ในระดับของพรหมโลกไปเพราะว่ากิเลสยังไม่ได้รับการกําจัดจากสมาธิจากฌานกิเลสต้องออกมาจากสมาธิแล้วใช้ปัญญาวิเคราะห์ถึงจะหลุดออกจากใจได้คําถามต่อไปจากคุณวิ กราบขอให้พระอาจารย์ช่วยชี้แนวทางในการนั่งสมาธิเพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบตัติเพราะพระอาจารย์เคยเทศการนั่งสมาธิเหมือนการปลูกต้นไม้กว่าจะได้ผลก็นานผู้ที่นั่งสมาธิจะได้มีกำลังใจมากๆเจ้าค่ะก็ฟังเทศของเรานะจะให้เราพูด มันก็พูดได้สั้นๆกันเลยนั่งสมาธิก็นั่งขัดสมาธิหลับตามีสติดูลมหายใจเข้าออกถ้าดูไม่ได้ก็ใช้คําบริกรรมพุทโธถ้าพุทโธไม่ได้ก็ใช้สวดมนต์ไปก่อนนมันก็มีเป็นขั้นๆไปถ้าจิตมันไม่ยอมอยู่กับลมก็ลองให้อยู่กับพุทโธดูถ้าไม่ยอมอยู่กับพุทโธให้อยู่กับบทสวดมนต์ยาวๆไปก่อนสวดไปสักครึ่งชั่วโมงชั่วโมงก่อนแล้วค่อยกลับมาดูลมต่อ คำถามต่อไปจากคุณเ p ป๊หนูได้ยินคำว่าโลภ บ, บุญพระอาจารย์ช่วยพิจารณาอธิบายคำว่าโลภ บ, บุญให้ด้วยเจ้า่ะโลภ บ, บุญก็คืออยากได้บุญเยอะๆไงโลภ บ, บุญนี้ไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมเพราะบุญนี้เป็นประโยชน์แก่จิตใจบุญมีแต่คุณมีประโยชน์ไม่มีโทษต่อจิตใจเป็นเหมือนยารักษาจิตใจให้หายจากความทุกข์ต่างๆ เหอนการโลภบุญนี้ถือว่าเป็นมักเป็นธรรมบุญก็มีหลายระดับบุญระดับทานบุญระดับศีลบุญระดับภาวนาอย่าไปโลภจิตาจบุญระดับเดียวเช่นอย่าไปโลภ ก, กับระดับทำบุญอย่างเดียวไม่ไม่รักษาศีลไม่ภาวนาต้องโลภให้มันครบเหมือนกับอาหารที่เรากินนี้ต้องกินครบสีสีหมู่ถึงจะดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรงได้ ฉัในใดบุญก็มีสามกลุ่มใหญ่ๆคือทานศีลภาวนาให้เราโลภกับบุญเหล่านี้แล้วต่อไปจิตของเราก็จะแข็งแรงจิตของเราก็จะมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์คำถามต่อไปจากคุณวันนิพาการที่เราเลี้ยงดูมารดาด้วยการส่งเงินไปเลี้ยงดูท่านแต่โยมอยู่ต่างประเทศไม่ได้อยู่ใกล้ชิดปรนิบัติท่านถือว่าเป็นการ อักตันยูต่อมารดาหรือไม่เจ้าคะไม่หรอกการส่งเงินเนี่ยดีที่สุดลนะ<อ>เงินนี้สามารถเนรมิตอะไรได้เยอะแยะดีกว่าอยู่ใกล้แล้วไม่มีเงินมีแต่แรงก็อย่างมากก็ได้แต่ช่วย ทำงานแต่ถ้าเกิดต้องใช้เงินเยอะๆรักษาก็จะไม่มีเงินแต่ถ้าอยู่ไกลแต่ส่งเงินไปได้เต็มที่ต้องการเท่าไหร่ก็ส่งไปได้อันนี้ถือว่าดีกว่าเยอะดีกว่าอยู่ใกล้อยู่ใกล้ไม่มีเงินมันช่วยอะไรไม่ค่อยได้ช่วยได้แต่กำลังกายแต่พอต้องใช้ทรัพย์ไม่สามารถที่จะช่วยได้แต่ถ้าอยู่ไกลนี่ทรัพย์นี่มันเดลเิทได้ทุกอย่าง จ้างคนมาดูก็ได้ส่งไปอยู่บ้านคนชราให้ช่วยมีพยาบาลมีคนคอยดูแลให้ก็ได้เห็นขอให้มีเงินทัาอย่างส่งเงินไปสถอไม่ไม่ในรกคุณแม่กระตันอยู่เป็นความกระตันอยู่คำถามต่อไปจากคุณบัวการละเมิดสินข้อสีข้อมุสาการพูดโกหก การพูดคำหยาบการพูดส่อเสียดและการพูดเพ้อเจ้อแต่และข้อนั้นมีโทษต้องตกนรกขุมเดียวกันหรือแตกตาก่างแตกต่างกันอย่างไรเจ้าคะมันก็อยู่ที่ว่าการโกรหกของเราทำให้เกิดความเสียหายมากน้อยเพียงไรต่อผู้ที่ที่ถูกที่ถูกเราโกหกถ้าทำให้เขาถึงกับตายมันก็ไปนรกได้ แต่ถ้าไม่ถึงกับตายก็ไม่ไปนรกก็ได้อยู่ที่ว่ามันมีความสูญเสียเสียความเสียหายมากน้อยเท่าไหร่โกหกแล้วเขาเสียหายแค่เงินสิบบาทนี้มันไม่เหมือนกับโกหกแล้วเ็าเสียเงินสิบล้านโทษมันต่างกันคำถามต่อไปจากคุณเบอร์รี่ การไปสักการะสังเวชนียสถานที่ประสูติตัสรุและปรินิพานจะมีอนิสงฆ์ช่วยไม่ให้ตกไปที่อบายจริงหรือไม่คะถ้าบุคคล น, นั้นเคยกระทำบาปละเมิดสินห้าตอนมีชีวิตอยู่บุคคล น, นั้นหากตายไปยังคงต้องได้รับผลแห่งบาปตกนรกหรือไม่เจ้าคะคือบาปที่ทำไว้นี่มันต้องส่งผลแต่ก่อนที่เราตายนี่เราสามารถที่จะทาให บาปยังไม่ส่งผลได้ถ้าเราทำบุญมากกว่าบาปพอเราทำบุญมากกว่าบาปเวลาเราตายบุญมันมีกำลังมากกว่าบุญมันก็จะเดึงเราไปรับผลบุญก่อนส่วนผลบาปก็รอลงอายาไว้ก่อนแต่ถ้าเราไม่ทำบุญเลยทำแต่บาปพอถึงเวลาตายบาปที่ทำไว้แล้วก็ ก็จะดึงเราไปอบายไปนรกทันทีถึงแม้เราจะไปกราบที่เสังวิชณียสถานถ้าไปกราบเฉยๆแล้วกลับมาไม่เปลี่ยนพฤติกรรมของเรามันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรการที่เราไปนี่มันทําให้เราเกิดศรัทธาคําเชื่อความเชื่อในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําให้เรากลับพฤติกรรมของเราได้เคยทําบาป ก, ก็เลิกทําไม่เคยทําบุญก็ทํา ถ้ากลับมาแล้วทำแต่บุญไม่ทำบาปต่อไปบุญที่เราทำมันก็จะมีมากกว่าบาปที่เราเคยทำไว้พอตายไปบาปที่ทำไว้มันก็จะไม่มีกำลังที่จะมาส่งผลเพราะบุญที่เราทำมันมีกำลังมากกว่าอันนี้ก็ช่วยให้ป้องกันไม่ให้ไปอบายได้แต่ไม่แบบถาวรนถ้าจะเป็นแบบถาวรนนี้ต้องเป็นพระ อ, อริยะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไป เห็นโทษของการกระทำบาปเต็ม so so yes, <Thank you. S 1> ที่พร้อมที่จะสละชีวิตด้วยการไม่ทำบาปเนีอย่างนั้นน่ยถึงจะไม่ไปอบายได้อย่างทารวอนสุดท้ายครับผมยังมีคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายจากคุณระริยาการสวดมนต์แผ่เมตตาในใจได้บุญเหมือนออกเสียงไหมเจ้าคะการสวดมนต์จะแผ่เมตตาหรือบทไหนมันก็ได้สติ เวลาสวดบนนิจใจเราก็ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ต้องแผ่ตอนที่เราเจอกันตอนที่เราพบหน้ากันต้องแผ่ตอนนั้นไม่ใช่ไปแผ่ตอนรับหลังเขาไม่รู้เรื่องพอเจอหน้ากันก็หน้าบึ้งใส่กันแต่เวลารับหลังแผ่เมตตาขอให้เขามีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าตอแลแผ่แบบตอแลเข้าใจไห อย่าตอแหลต้องแผ่แบบจริงจังจริงใจต้องแผ่ตอนที่เจอหน้ากันเจอหน้ากันเอาขนมมาฝากสวัสดีค่ะสบายดีหรือเปล่าอย่าเรียกว่าแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งสวดอยู่คนเดียวมนันนั้นไม่ได้แผ่อันนั้นเป็นการสอนเป็นการเตือนใจเป็นการเจริญสติมากกว่าเพราะการสวดบทแผ่เมตตาก็จะทําทให้เราไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ทําให้ใจเรา สงบได้ได้สมาธิขึ้นมาเอารล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนนวเมาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิริศพิ จ, จรารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทอา